ผมเป็นคริสผมไม่ได้เป็นพุทธผมไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนาแต่แล้วก็ผมได้หลักการจากหลวงพ่อไปไปสวดมนต์มันจนแทมแล้วมันจนกรอกแล้วจนประตูแล้วไม่ไปทางไหนได้ไอ้ผงเข้าตาแล้วไม่รู้จะทําอย่างไรเลยก็ทําป้ายดีมาถวายมีดีสีเหลือง แล้วก็มีเกียงสื่อไทยอยู่สองข้างบอกดูเย็นประจุแล้วก็มีเชื่อตามาด้วยแล้วเอามาถวายเป็นป้ายเอาไว้แจกคุณอื่นเขาบ้างนี่คลิกนะเขาไม่ได้ น, นับถือพุทธศาสนาะแต่ก็โดยปริยายเลยก็เอาป้ายดีมาให้ของเราเห้เขาไปเปิดร้านเราก็ให้เขาไป อันดีขายไม่ดีเอาป้าดีไปแขวนข้าวขายมาก็โอ้ยไม่ดีอยู่เย็นเป็นโศกไอปากคนมันสับเฉิดเหมือนกันนะพูดดีสักอย่างเดียวมันก็ดีหมดเลยก็ได้ไปลายดีผมคิดมาเึ้นอยู่กัดไม่เสรปลายของชาวพุทธมาถวายแล้วเลยก็เขาก็ออกแบบมาเสร็จเลยบอกหลวงพ่อครับผมได้จะของดีจากหลวงพ่อออกไปที่สอ น, สนพ่อสวดมนต์ไว้พระแล้วก็นี่สินหมดเลย ไม่ต้องเป็นหนี้ใครต่อไปแล้วทำงานก็ดีลูกสามคนตั้งใจเรียนหนังสือดีโดยไม่ต้องอบรมโดยไม่ต้องไปว่าลูกอีกต่อไปลูกก็มาสอนผมซะหยิบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องห่วงผมผมจะตั้งเรียนจบปริญญาเอกให้จงได้บากในระเบิดปริญญาตรีกันแหละตอบยาโทแล้วอยาเห็นไหมชัดเจนแล้วนี่แหละท่านทั้งหลาย จะเชื่อหรือไม่ไม่เป็นไรเราก็ทำตัวอย่างได้ผลมาอย่างนี้บางคนยากจนเหลือเกินก็สามารถเป็นคนดีได้ตมาบอกว่าอยากดีมีโจนสตาร์ทจิตใจมันสูงขึ้นทําจิตใจมันสูงขึ้นเดี๋ยวจะไปพบคนชังสูงด้วยการแต่เป็นสาสาคัญของกฎแห่งตามจากการกระทํานี้มีความหมายนี่มิใช่น้อย มันมีหลายเรื่องดี ย, ยกตัวอย่างให้ทาา่านฟังมีหลายเรื่องหลายอย่างด้วยการนีเรียขอเจริญพรญาติโยมผู้ทํากรรมฐ า, านขอให้ทำให้จริงๆทําแล้วก็แผ่เมตตาออกไปอย่าไปแผ่อกุศลกรรมไปคนอื่นเา้าอย่าเอาความชั่วไปให้เขาเลยเอาความดีไปอาเธอะเราก็ดีอย่างพฤติกรรม แสดงออกจะขีดเลาเนี่ยให้เขาอยู่เย็นเป็นฉกไม่มีฉาลิศยาเขาแต่ประทานได้แล้แลวเราก็ได้ความสุขก่อนคนอื่นเขาแน่นได้ความฉกก่ขขอนคนอื่นเขาแน่นอนอันนี้เป็นบทความอันสําคัญอันหนึ่งเราขอฝากญาติโยมไว้ในที่นี้ด้วยมันมีประโยชน์ไม่ใช่น้อยมีอการแผ่เมตตารําคัญและแผ่ไปอยู่ไกลๆก็ได้ นี่อย่างเด็กนี่มาตีเข้ามาเอาของมาถวายเยอะไปเรียนสหรัฐอเมริกาบอกหนูไปฮานุ่งนะเดี๋ยวจะเข้าได้เอาวีซ่าฝรั่งไม่ให้ฝรั่งไม่ให้ไม่ออกไปบองหนูตรวจพุทธคุณก็สิเดี๋ยวไปใหม่เดี๋ยวไปใหม่ไปขอออกวีซ่าไปเรียนสหรัฐอเมริกาไอฝรั่งไม่ยอมให้ไป ม่ยอมให้เลืเนี่ยเนี่ยทยานมาตะที่เองก็กลับมาพักนิดหน่อยอีกเดือนหนึ่งก็จะเปิดแล้วก็สวดมนต์ข้าวตระคูณปลาหมาตาเดี๋ยวหลวงพ่อจะแผ่เมตตาให้ไปใหม่ซอวีซ่าจะออกไหมไปต้องหลายคนเนี่ยก็ไม่ได้ไปนหนูนี่ไปสาวนี่ไปพักฝรั่งโอเคเลยทำให้เหรียบร้อยไปเนี่ย มันจะลืมันจะจําไม่ได้ยังไงก็ไม่รู้เลยก็ส่งไปบัตรนี้เรียนเก่งเงี้ยอูสหรัฐเอเมริกานีมาเยี่ยมแม่โรงเรียนปิดหนึ่งเดือนหลัยปิดหึ่งเดือนมาหลายเขาปิดเลยมาก็บอกเรียนเป็นยังไงหนูเดือนแรกหนั ก, นกหนักน่อยภาษาไม่เก่งบัตรนี้เก่งเงี้เก่งทางภาษาเนี่ยสวดมนต์ภาวนา ต้านใจเรียนเนี่ยขอบอกท่านแล้วเนี่ยทำอะไรทำด้วยความตั้งใจทำด้วยความเคารพทำด้วยจิตสงบแล้วก็ทำด้วยความถูกต้องแล้วก็ทำด้วยเหตุที่ผลต่างสติปัญญากรรมฐานก่อนก็อยเดินเนืองงานรับรองไม่เสียหายแต่ประการได้เลยขอจเจริญพร อ, อย่างนั้นบางคนก็ไม่ทำก็เล้วไปเนี่ยไปเรียนอยู่ที่ กรุงปริสังเศลูกของอดีตอธิการบดีไม้รา ย, ายกรเกษราส์บางเถินตมาเดินทางไปยุโรปภาพระเทนตไปเจอลูกสาวเ้าที่ลอนดอนไปต่อปัญญาโทเอกอถึงปัญญาเอกเนีไปเชียบเวลาทังหลายเดือนอตมาเดินทางไปก็เจอเธอที่ก ร, รุงปารกลุงลอนดอนบอกหนูมานี่สิ ทำไมไม่จบสักทีล่ะก็มัวไปเที่ยวจนทำไมมาตรวจมนไววพระหลวพ่อจะแผ่เบิกตาให้นี่จะจบแล้วจะกลับมาแล้วเห็นหมัน้นี่มันมีประโยชน์นะหนูมาตรวจพุทธคุณตามมาคุณกัางคุณค่าเนี่ยลูกสาวครับบัรนี้จะเป็นรอกเตกลับมาในปีนี้แหละที่ปีนี้เดียกลับแล้วเดี๋ยวได้มีโอกาสทางาน ทำงานอะไรทำงานบริษัททำงานที่หมหาวิทยาลัยด้วยจะได้ทชายประสบประธานด้วยนี่แหละมีประโยชน์มากในการแผ่เมตตาอันนี้มัมีความหมายอย่างนั้นแล้วลูกเขาที่โคกสำโรงขายของขายขายยาขายยาเทิษัทขายยามีรูกษาคนเดียว เขาก็ไม่ยอมให้ไปธรรมมาบอกไปเถอ ะ, ห น, อะหนูเฮงขึ้นแล้วหนูตั้งใจเชื่อหลวงพ่อสวดมนต์นนะจะแบบนี้ จ, จบไปแยกปริญญาเอกนะแล้วก็ทํางานหมาหาวิทยาลัยด้วยได้เงินได้ทองด้วยแม่ไม่ต้องส่งเลยหาทำงานเองทางานในมหาวิทยาลัยมายมเรียนได้ในเดือนด้วยแล้วฝลั่งก็โอเคได้ประสบการณ์ปัญหาด้วยเรียนด้วย แล้วได้ความเชี่ยวชาญได้ชํา น, นาญการด้วยมาสองวันมามาเยี่ยมกลับไปที่นี้ก็เพลียมวิญญาณิพนธ์ส่งเรียบร้อยก็จะกลับมาเนี่จบปริญญาเอกมี่แหละท่านทั้งหลายจเจริญกรรมฐ า, านมันมีประโยชน์มาเจ้วามันามานั่ ง, งกันจะไปสวรรคนิพพานไปบวชชีพราหมณ์ไปอย่างนั้นแล้วกลับมาสอนผัวกันตามบ้าน มันคงจะเป็นไปได้ยากทําอะไรก็ทําใหม้มีความจริงใจเนีย่ยจะมาเพิงบอกว่าทําด้วยความตั้งใจได้ไหมทาด้วยความเคารพพูดมานานแล้วเขาไม่เข้าใจเคารพตัวเองพูดแล้วต้องทำย้ายตัวเองหละหล้วมหละแหล่เหนียวหลายเป็นมนุษย์บุรุษโครมร้อยพูดแล้วสับปรับตรงนี้ไม่เคารพตัวเองเลยนะสองต้องเคารพพ่อแม่ด้วย อย่าบังอาจต่อพ่อแม่นะอย่าเถียงพ่อเถียงแม่จกประการใดแล้วต้องเคารพครูบาอาจารย์ด้วยเคารพผู้มีบุญคุณด้วยแล้วไปเมืองไหนต้องไปเคารพเมืองนั้นเคารพสถานที่เคารพพนักงานด้วยอันนี้หลักของเราที่ต้องทำแล้วต้องเคารพแล้วการกระทำของเรามันก็จิตสงบทำด้วยจิตสงบ สทําด้วยความถูกต้องและทําด้วยความจริงใจตั้งใจแล้วก็ทําด้วยสติปัญญาของตนเองมันก็ออกมาเป็นรูปแบบอย่างนี้ชัดเจนทําให้ได้ผลอ น, นิสงสมความมุ่งมาตัฒนาทุกประการก็ได้จากการเจรกกิญสกามฐานนิ่งทําให้ได้ผลอ น, นิสงสมความมุ่งมาตัฒนาทุกประการเป็นกฎแห่งตามจากการกรรมของเราทุกคน บางคนก็ไม่เอาเลยไม่รู้จะทํำยังไยงยามคู่ไปเข้าโรงเรียนในเพิรผู้ตัวจได้ ก, การท่องถิ่นฉลาบบุรีนี่เองบอกหลวงพ่อผมคงจะสอบไม่ได้นะคะอีกครั้งเดียวสอบไม่ได้เลิกการเพราะอายุมันเติบบบอกเอาละเดี๋ยวให้เป็นเอนเพลลิร์กทำฐานค้าวทำซุปตีข้าวกาหนดคิดหนอคิดหนอเขียนออกมา บัดนี้บรรจุไปในอำเภอไปย่ายจบโรงเรียนในอำเภอไปแล้วได้สิบคนเลยและบัดนี้ก็บรรจุในอำเภอไปสิบคนเลยนางผู้นางกรรมฐานาาทั้งนั้นเน่ยไม่ใจว่าไปเอาเงินไปยัดเขาด่าเขียนพิติรณาออกมาวิธีการปฏิบัติราชการเขาไม่ไ ด, ดูหนังสือเลยเนะแต่ใช้วิธีพิติไณา ให้วิธีเขียนเขาให้เขียนวิธีปฏิบัติและจการโดยสอบเข้าโรงเรียนในเพื่อได้เึ่นไปเป็นประหลาดอำเภอผู้ตัวจราชการท้องถิ่นแต่มีเหตุผลที่จะประสอบโรงเรียนในเพื่อได้เขาก็ให้เขาไปสอบสอบทั่วประเทศกันเน่ยมากสอบก็เป็นพันๆแล้วก็เอาไม่กี่คนแล้วก็จะไปหมดทุกคนได้หรือประการใด ปีที่แล้วผ่านมาเนี่ยผ่านหมดโงเรียนเนี่ยเพอไปและบัตรนี้ออกมาบรรจุไปนในเพอผ้าอฉานบ้างมาภาคกลางบ้างแล้วก็อยู่ในกรุงเทพบ้างก็ได้เม็จความตัดนามาแล้วอีกประการหนึ่งขอเจริญพรให้ชาติถ้าจะนั่นการเจริญกรรมฐานเนี่ยเป็นการแก้กรรมไปในตัวอย่างไรรำลึกชาติคองชีวิตได้ ชีวิตนี้คืออะไรขอให้ทำจริงๆเดิน ต, งตรงกมยืนหน่ห้าครั้งให้ได้บางคนทำไม่ได้ยืนคือตั้งสตินับไปตามลมามาไม่เกี่ตามลมจิตผ่านจักยืนสุชาะลงปลเท้าปลาเท้าคุนทึกษาเอาสติตามไปให้มันทัน เราจะได้รู้จังหวะในการทำและจะได้ผลจะได้ผลสมฆ่าศาสนาและเราดูตัวเราอ่านออกบอกได้เห็นคนเดินมาก็ทิศาสลงปลายท่าปลายท่าคนนทิศศาอย่างนั้นจะได้ท่าเดินนี่ผู้หญิงคนนี้หรือผู้ชายคนนี้มาทําไมต้องการอะไรจะขังนายเป็นโลกอะไรคนนี้นิสัยเป็นยังไงจะคบค้าสมาคมได้ไหมก็ข่าวข่าหลัก ของเราครบพาได้ผิดเนี่ยครบบรันดิติผลครบคนชั่วทําตัวอาบจนครบคนดีผลจั ว, วันตายเมาเพลสหรือก็หมดค่าเมาสุราหมดความสาคัญเมาการพนันหมดตัวนะเมาเพื่อนชั่วหมดดีมันมีประโยชน์ในการทํางานมีประโยชน์ในการทํางานมากเห็นหนอมันไม่เค่เห็นด้วย คน น, น้นลูกปลาปัญญาเห็นด้วยปัญญาเวลากำหนดเห็นเนี่ยขอประทานโทษท่านต้องส่งกระแส จ, จิตออกจากหน้าผากนี่โจดศูนย์กลางเนี่ยเป็นการรวมประสาทส่งออกไปทันเห็นคนเดินมาถ้าเราเคยทำได้ใช่แล้วพอเห็นภาพมันก็อ่านออกแล้วบอกได้ใช้เป็นเนี่ยอ่านคนออก รู้มาแล้วจิตของคนนิสัยแบบนี้คบไม่ได้เป็นยิ้มเข้ามาแล้วยิ้มเข้ามาแล้วก็แสดงว่าเป็นมิตรตอนกู้เป็นศัตรูตอนทวงจะมาขยิมเงินอย่าให้จะต้องโกงเราเนี่ยงมันจะออกมาอย่างนี้ทันจะมีประโยชน์ในการทำงาน เ, นเห็นหนอเห็นด้วยปัญญาเสียงหนอฟังด้วยปัญญา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 มันจะเสียเวลาการทํางานของท่านเห็นด้วยปัญญาจะมีประโยชน์มากว่าคนนี้คบได้ไหมร่วมงานกันได้ไหมเข้าหุ้นกันได้ไหมท่านจะรู้ขึ้นมาเลืกอยๆแต่ต้องทําบ่อยๆทําย้ยํำๆทํำซ้ำๆสักซ่าถ้าจิตท่านสงบมไม่อใดเนะ่ยท่านจะได้ผลเมื่นั้นว่าคนนี้นิสัยเป็นอย่างนี้รูปร่างสวยอย่างนี้คบไม่ได้ พบแล้วเดี๋ยวก็เสียหายมันจะออกมาอย่างนี้เห็นหนออ๋อคนนี้สัมผัสจิตจิตสติมันจะบอกว่าคนนี้กำลังมีชู้คนนี้กำลังเป็นศัตรูที่จะยิ้มมาเนี่ยจะมาฆ่าเรายิ้มมานี่จะมาหลอกลวงเราถ้า ท, าทานน่านไปรล้เจตนาในผู้บังค่าบัญชาจะมีประโยชน์มาก ประโยชน์ที่ทานประสบะการณ์มาอย่างเช่นผรูอำนวยการท่านประสบะการณ์มามากถ้าจะอ่านคนออกไม่เนินเพราะว่าประสบะการณ์กับครูอาจารย์ตามไม่ใช่เป็นล้อสองล้เป็นพันๆคนเป็นประพันๆคนเช่นขอ อ, ออเป็นต้นไม่ใช่ประสบะการณ์แค่คนสองคนนะปัญหามีมากเพื่อเกินะว่างเข้าอยู่กางครูเป็นต้น แ้่เรามีหน่วยงานมากมันก็มีปัญหามากะะเราจึงตั้งสัตีไว้แก้ไขปัญหาแต่เป็นประโยชน์แก่ตนและประโยชน์แก่ชวนรวมและเป็นประโยชน์กับคนอื่นต่อไปด้วยจะมีประโยชน์ไม่เช่น้อยเนี่ยขอฝากไว้จะทำทําทได้จงเป็นอย่างนั้นแน่จะได้รู้กฎแห่งธรรมว่าการจะทําเป็นอย่างไรถูกต้องหรือไม่อีกประการที่สองท่านจะได้ทําลาเอาไปดูลูกท่าน ลูกทางคนนี้จะเรียนแพทย์หรือเรียนหมอแลืเรียนเป็นอายการโดยผู้ปรกษ า, าก็คงไม่ผิดจะไม่เสียจังหวะลูกของเราด้วยในที่พูดนี่ตารทำเราอย่างน้อยก็ขอให้ไฟติดต่อชั้ชั้นๆจ้กฉากๆบ่อยๆครัแล้วเดี๋ยวมันจะเกิดเองไม่ใช่ว่าเรียนมหนึ่งถึงมหกเรียนปีเดียวจบเนี่ยเวลามานั่งกรรมฐ า, านกันแค่สองสามชั่วโมง และมันจะได้ผลหรือต้องทำไปบ่อยๆกลับไปชำนักงานกลับไปรับเหติการณ์นี้จะไปบ้านพิหารสถานของท่านก็ต้องกำหนดอยู่เพราะไอลมหายใจมันมีอยู่แล้วก็ต้างสติว่ที่ลมหายใจทำอะไรก็ทำาฉยชาหายใจยาวๆท่านจะได้มีสติคิดมีสติแก้ไขปัญหามีปัญญาไว้ คุ้ยเหนื้อตัวเองเชื่อต้องการแก้ปัญหาของตนให้หมดไปคือทุกในเองออกมาโดยวิธีนี้เป็นตน้นนอกเหนือจากนั้นคนเราจิตมันมาสงบแล้วทำได้ยากมากไม่จะทำน่ายเลยแต่ก็ต้องฝึกนี่อาจารย์ทั้งหลายเ อ, อ๋ยแข่งเลือแข่งแพเพราะจะแข่งกันได้แข่งบุญวาสนาแขงไม่ได้ก็จริง แต่อยากจะเจริญพรถามท่านว่าท่านมีแรงมากแข่งเรือแพได้แข่งบุญวาถนะไม่ได้แต่อยากจะเลี้ยงถามว่าทายเรือเป็นไหมเคยฝึกทายหรือเปล่าไม่เคยฝึกทายเลยเล้วก็ท่านจะไปแข่งเรือได้หรือมีแรงก็จํำลมลงเรือก็ลมแล้วเพราะไม่เคยลงเรือไม่เคยทายเรือต้องฝึก ของอย่างทุกอย่างต้องฝึกเหมือนท่านพระประธานทอดรับราชการไม่ฝึกงานงานถ้าจะเดินไปได้อย่างไรต้องฝึกงานทางนั้นต้องใช้ประสบ ก, การณ์กับงานที่ทำท่าถึางยอดเชี่ยวชาญชำนาญการป็นอาจารย์เอกประจาตัวท่านถ้าท่านไม่เชี่ยวชาญไม่ชำนาญการแล้วไหนเลยงานที่ทำนั้นมันจะได้ผลล้วมันจะได้ไ ป, ประโยชน์อันใด เห็นกับคู่กข่งเยอะโบราณว่าแข่งเรือแขงแพ้แพ้แข่งได้แขงบุญวาฒนาไม่ได้แขงเรื้อแข่งแพ้แข่งญ้าแพ้พายเรือไม่เป็นไปแข่งได้หรือต้องพายเรือเป็นต้องฝึกต้องซ้อมหัดจําเรือกต้องซ้อมแล้วซ้อมอีกกว่าจะไปชนะเขาแข่งเรือไม่ใช่พายเรือเป็นลงและชนะนะต้องฝึกต้องหัดและต้องปฏิบัติ ต้องหัดให้เชี่ยวชานต้องพร้อมแนวซ้อมอีกการฝึกจิตก็ต้องพร้อมจิตจะอยู่กันต้องกำหนดทุกวนันทุกเวลางานนั่นจะเดินไปด้วยดีจะได้มีปัญญาเป็นต้นอขอฝากญาติโยมด้วยอีกประการหนึ่งที่มันเป็นที่พึ่งของเราเดี่ยเป็นกฎแห่งกรรมอย่างนี้ตัมมาขอเสนอกฎแห่งกรรมว่ากฎแปลว่าการกระทำ ฐานะคือกรรมกดแปลว่าดันกรรมแปลว่าการทำทําดีมันก็ดันให้เราไปดีให้ถึงได้ทําไม่ดีทําชั่วมันก็ดันเราไปทางชั่วเอาตัวไม่รอดกดนี่แปลว่าดันแปลว่าอย่างนี้เลยเรียกว่ากดแห่งกรรมเราขอเจริญพรเสนอเนี้ยว่าเราเอาของวิถีชีวิตมาวิจัยเช่น ปานาติบาทแต่แล้วติดมาหกสิบปร์เซนตค่าศาธารณชีวิตไม่รู้จักจะแก้ไขปัญหาแล้วนั้นรับรองท่านต้องเป็นอัมาพาตอปูลหมายหัวไว้ก่อนเป็นอัมาพาตต้องผ่าท้องต้องผ่าโน่นผ่านี่กระหอดรวยการต้องสายละยองอยู่โรงพยาบาลค้าหาว่าติดกดแห่งตามปาน า, าติดมาหกสิบเปอร์เซนตต้องเป็นอย่างนั้นเนี่ย การท่านเจริญกรรมาฐานมันจะเบาลงไปยกตัวอย่างอาตมานี่เองถ้าไม่ฝึกไหวเราจะรู้หรือว่ารถจะชนอาตมาพอหักวันที่1 4ตุลาเที่ยง4 5เมื่อวันที่พอสอบตงมาเรา21อาตมารูหลวงนาตรง6เดือนและเป็นความจริงเลยถึงวันที่1 4ตุลารถก็ชนที่หลังตลาดประบางเนี่ย พอพับไปเลยเนะี่ยนี่แล้เวงกรรมตามสมองเรากระทั่งที่เจริญกรรมฐานเรียกก่อนอยังติดตามกรรมมันจึงได้กองรับใช้กรรมทั้งนั้นไม่กลองไปปฏิเสธทุกขาา์ผวาณน้ประสาอะไรก็เราเป็นปู้ถูกชนคนธรรมดาแค่องค์สมเด็จประช้ำมาพระเจ้าท่านยังได้รับกรรมเลยเนะพระโมฆะลายําเร็จเป็นพระญาตแล้วจ้องให้โจรมาทุบให้กระดูกแตกก่อนเนี่ย สมุขคลาไปทำกรรมคขาไว้เอาพ่อไปทุบไปเชื่อเมียว่าพ่อเนี่ยแกแล้วไม่มีประโยชน์ก็เอาไปทิ้งเจ้อาไปทุบให้ตายอย่างนั้นเป็นต้นล้อมเป็นโจรแล้วก็ทุบพ่อเสียพ่อก็บอกว่าเออโจรเออเราแก่แล้วทุบเพอะทุบให้ตายไปเลยแต่ขอ บินทบบาทเถอะอย่าทุกลูกแล้วลูกไปไปถ่ายเจอระในป่ายังไม่มาเขายังหนุ่มอยู่อย่าไปฆ่าเขาเลยฆ่าแล้วเถอะเลยโจร น, นั่นก็คือโมฆะลาเลยก็เสียใจก็พ่อแต่ยังไงก็รักลูกตลอดเลยแต่แท้ตายแท้ลูกดักให้ทุกพอ่อเลยก็วิ่งหนีเข้าไปในป่า ก็ไปล้างหน้าล้างตา ม, มาว่าไม่ใหพอจำได้ละ ว, ว่าออกทายจุละกลับมาแล้วออก็ปวดลวดล้าถูกร่างกายก็พาพ่อกลับบ้านไม่สามารถจะทนต่อเวทนาได้ก็ทำตารสีอยาตายเพราะลูกทุกข์นี่ไเป็นเหตุถอน มาในชาติต่อมาพระโมคคลาบวชเป็นพระลาหนแลนโ จ, นจรจึงต้องมาทุกข์พระโมคคลลาชบะโจรนั่นก็คือบิดาของท่านเองนี่เห็นไหมเป็นพระลาหนแล้วยังต้องรับเวรรับกรรมนะไม่จำต้องคนธรรมดานะพระพุทธเจ้าก็รับกรรมนะรับกรรมยังไงท่านดูไหมตอนที่สวยประชาติเป็นโคบาลเอางัวไปเลี้ยง แล้วก็ลายงวไปแดดเปรี่ยงๆร้อนจับงวก็น้ำลายและยืดผิวน้ำจะกินน้ำในหนองหนองนั้นมันคูนหนองนั้นเป็นตมเป็นคูนมันจะแห้งแล้วโคบานก็ตีนไม่กินน้ำจะให้ไปกินหนองที่น้ำใสอีกเนี่ยหนึ่งกิโลข้างหน้าตีไม่กิน ไอ้ไปกินน้ำสายด้วยเจตนาดีนั้นเองมาตอนที่โคบาลมาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วละหายน้ำอย่างนักให้กระโนนถือนุชาไปหาน้ำมาให้เฉวยหน่อยแต่พระโนนก็กลาบทูลว่าน้ำที่นี่ขุ่นมากพระจกคัะต้องไปเสร็จไปทางโนน นะ้ำหนึงอยู่ข้างหน้าสายสะอาดนี่หละท่านทั้งหลายเ อ, อ๋ยนักภาษาลายละโคนธรรมดาแค่พุทธเจ้ายังต้องมีเวรมีกรรมแล้วเราจะเป็นแค่ไหนแล้วรือว่าแกกร้มได้นะั่นไม่ใช่ว่าแกตก้มเตานะแกตั้มใหม่กัมเก่านั่นไม่ต้องปฏิเสธทุกขอหาเราจะต้องรับกรรมแต่ก็หนักเป็นดาวไฟยาก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 มาอยู่มัธยมสามและหักคอมันตลอดเลยการเลยยังมีเหตุการณ์ที่ต้องพิชูดได้หมดเน่ยเราก็ไม่รู้ว่าเป็นยา บ, บาปกรรมประการใดนกมันจิกจิถงขนถกหัวมันเอาขนมันออกนอย่างนี้หักคอมันเลยครูชั่วเป็นครูโรงเรียนวัดแจ้งบนนครก็บ อ, อยนุ อย่าไปหากคอมันต้องไปเชื่อมันถึงจะอร่อยดีนี่ครูโรงเรียนประชาบาลเขาขอแรงอาตมาไปยิงนกน้องไส้หลายยังยังมีถ่ายรูปไว้หน้าหน้าหอ p ประชุมนั้นหน้าศาลาหลังนี้ยังกลมแผนที่ทำมาให้น้องไส้ลายที่จะมาไปจ้างเวรช้างกรรมมาเนี้ย น, นที่สุดเราก็ต้องขอหักอย่างนี้ไม่มีผิดเลย แขนก็หักแล้วขาก็หักแล้วไฟก็หลวกแล้วฟ้าก็ผ่าแล้วครบฟ้าผ่าด้วยนี่อย่าไปเช่าบทเชาบ้านไม่ได้นะฟ้าผ่าเนียโยมใครเคยเห็นฟ้าผ่าไหมเคยผ่าไหมเนี่ยเนี่ยพวกเราเคยฟ้าผ่าไหมเ้่าบานกันแมงเล่าเนี่ยเคยเชาบ้านกันแมงเปล่าทุกคนเนี่ยโยมผู้หญิงเนี่ย ต่สบาบนบอกไงธรรมาจะได้หลีบไปอาไม่จะเกิดพาลง ม, มาเจ้าพายังไงนี่พาที่กุติเลยนะนี่นะนะสบาบนกับยายไว้นะระวังนะระวังนะสถาบานไมเ ป, นเปล่าบางคนธรรมาได้ยินพวกหนุ่มสาวโอ้ยฉันรักเธอเอาชีวิตเป็นเดิมพันเธอได้มันจะมากไปแนละ้วไอ้พวก สาวหนุ่มรุ่นใหม่เนี่ยขณะปริญาโทจุฬานะตามมาไปเป็นวิทยากรวันไร่ขิงวันไร่ขิงเขา อ, อบรมมาเครียดนี่องค์ น, นี้เป็นวิทยากรไปพูดแทนจะคุณวันไร่ขิงเดี๋วทีนี้ก็ลงเลี้ยงเขายายอบรมพนิการหลายหน่วยด้วยการนาักนักพนัากานาบริหารทใชนั้น แล้วก็มีประชุมวัดพัฒนาด้วยตากมาก็ไปเป็นวิทยากรณ์สองวันเหนื่อยจะตายต้องเครียดกัเลยใช่ไหมพูดอย่างเครียดแล้วก็เตือนใจสี่วิ่งใช่ไให้วิ่งอย่าไปเดินจงกรมบ้างอะไรบ้างมาเป็นเวลาหลายปีเลยเก็มันว่างของเราก็เข้ามาในโบสถ์ว้เลยถทิง ม, มาในโบสถไว้ดเล็กิ้ง เจอจ่องคนสามีพระอาไม่่ใช่ไม่ใชผัวเมียแฟนแฟนแฟนคือลายโยมรู้ไหมะแฟนแปว่ารนะพูดกันยังไงเนี้ยแฟนอย่าไม่รู้กันาังัะพูดว่าคนเก่าแต่ว่าอย่ามาพูดแฟนนั่นก็ผัเมียผัวเมียที่ไหนแฟนแปลวพัด ทำมีแฟนแล้วก็เย็น อ, อกเย็นใจเข้าใจไหมนะใช่หรือเปล่านะอาตมาเห็นสองคนนี่จำไดน้นี่ปิญญาโชตุลาเคยมาอบรมนี่มันมาทำไม่กันวัดไรยหิงตอนนั้นยังช้าอยู่ยังค้นไม่ค่อยมากอาตมาก็หลบไปนอกโบสถ์บดูมันทำอะไรกัน ในโบสถ์เนี้ยมันทำอะไรการนมันพูดอะไรการฮะนี่ไง น, นมสาวเปียโทตุลาด้วยเอาดอกมาถุกเทียนมาคนทยายช่อดอกมาจุกเทียนไปถวายพระถวายทำไมรู้ไหมขอให้บุญช่วยขอให้หลวงพ่อช่วยทนันนเนี่ย อตาตมาก็หลบไปอยู่ข้างๆเพื่อฟังน่นไอ้ฝ่ายผู้ชายก็กราบกาบมองหน้าหลวงพ่อว่าเลยขิงหลวงพ่อครับหลวงพ่อครับหลวงพ่อก็ไม่ละบปากหลวงพ่อก็นั่งละหลับตาเฉยท้องปิดหน้าเป็นแถวหมดหลวงพ่อก็เฉยพร้อมนี่เนี่ยเอาชีวิตไปเดิน เดินเดิมพันธ์กับเธอได้ย้อนตายเธอได้เลยนงผู้หญิงนี่ก็เช่นเดียวกันเจ้าค่ะดิฉันก็อาชีวิตเดิมพันธ์เธอได้คลื่นใสแหมน่ะปากคำจังอยากจะพูดแทนหลวงพ่อวันเล็กนี่เดิมพันธลายฮะ โยมผู้หญิงตมาอยู่วัดมานานก็ไม่รู้ว่าผู้หญิงกับผู้ชายก็ไปเดินพันยังไงเล่าฟังหน่อยได้ไหมเฮ้เคยอย่างนี้ไหมในขณะผู้มีความรู้บัณฑิตนี้อตามาจําหน้าเดชชัดมันเคยมาที่วัดนี้เอาชีวิตไปเดินพันตายแทงกันไดนน้ขอถามโยมเถอนะ ยมผู้หญิงนี่ขอประทานโทษ ย, ยอมยอมไหมตายแทนสา ม, ม, ไ ม, สามีได้ไหมถามจริงได้ไหมฮะไม่ได้ไไดก็อย่าหิงเชีอยอย่าหึงเเนี่ยแต่ตายแทนะลยแล้วยอมผู้ชายถามจริงตายแทนได้ไหมฮะ<อ>พูดเอาเรื่องจริงมาพูดกันแจ้ อามาบอกนี้พวกนี้เหลวไหลทั้งนั้นพวกงโง่พวกงโง่โงเดี๋ยวนี้เสียใจด้วยเอาไม่ใช่ต้องต้องเห็นใจกันก่อนไ <c oughs> ม่อยาเกเจอชาได้เย็นได้เย็นทิ้งเช้านะเ <c oughs> นี่ยมาเย็นทิ้งเช้ามีที่ไหน <c oughs> เขาต้องเดินไปเดินมานี่คุณเทพมาก่อนนี่น้ำไม่ท่วมแล้ว เพราะว่าคนกรุงเทพเนี่ยเขาเดินไปหาการเจนเป็นคลองเขาเรียกคลองหลอดคลองผ่านฟ้าคลองบางนาพลูงไงน่ะโยมเคาอยู่กรุงเทพไหมคะและเดินมากส่สุดก็คือคลองแสนแสบทำไมเรียกว่าคลองแสนแสบถ้ า, ายไปคลองนั้นแล้วแสบเลยใช่ไหมเดี๋ยวนี้ไม่แสบแล้วเนี่ย นะไม่แสบแล้วนี่ทิ้งขยะไปไเต็มไปหมดจะปลูกบ้างเข้าไปจะคลื่นคลองแสงแสบเนี่ ย, ยมะกอ น, นี้เขาเดินไปหาการเนี่ยไปจะตกลงการเป็นสามีภรรยาแต่งงานกันยากเดี๋ยวนี้มาแต่งงานกันง่ายมันถึงได้เศร้าใจเศร้าใจไงมีทั้งรักมีทั้งแนทงแนมีทั้งแน่นในสวงมีทั้งหึงหวงลบพุ่งจิงชจเนียลบพุ่งจิงชยไมไ้ย ไม่มีครับโยมกรรมฐานคงไม่มีอย่างนี้ต่อไปแล้วเนาะผมไม่หึงไม่ห่วงแล้วหรือยังไงก็ไม่แน่ไม่แน่นอนเล้วสองคนนั้นสถาบานการเรียบร้อยอัตมาจำได้จ่ชัดมันเคยมาที่วัดนี่มาปีนปัญญาตรีได้ไงสุด อัตมากรับจากว่าเลยถึงมาได้สักเดือนเลยมั้งจุลามาอีอะจุล า, าพามพวกมาที่นี่พุทธศาสตร์ประดิษฐ์อ้าม่าย่ชมรมพุทธศาสตร์มาอัตอมาก็ลงมาบรรยายจ้ำชักเลยนั่งนาเลยคู่นี้นั่งนาเลยใช่เพราอ้อนั่งนาใส่เสื้อแดงป๊าดเลย เราก็บอกว่าเจริญพรนิติดุลาลตะตอปัญญายเอกแล้วดีเหลือเกิ น, เ, นกเลียนเก่งเล่งก้าวหน้าดีที่สุดอดทนเป็นสมบัติของนักต่อสู้ความรู้เป็นสมบัติของนักปลาความสามารถเป็นสมบัติของนักประกอบเกิดความมีระเบียบทุกชนิดเป็นสมบัติของผู้ดี เราเป็นบอดดิษฐ์มันหอมเป็นอัตราาละเหม็นเราเป็นบอดดิษฐ์มันหอมชื่นจาจวันนั่งสมาฝันไปมันหอมอะไรไม่รู้ที่วัไดไร่ขิงสองโคนหอมดอกไม้ซื้อดอกไม้ไปลายสามช่อดอกไม้ฝรั่งสองช่อดอกละห้าสิบบาท รู้ราคาด้วยแล้วก็ดอกไม้นั่นคือดอกอะไรฮ่ดอกไม้ที่เขาเลียกันจำไม่ได้นี่ชื่อไม่ออกเลยอะดอกด้วยไม้แล้วก็มีดอกไม้ฝรั่งไปสามดอกมานี่สองคนเนี่ยซื้ออย่างแพงไปเลยนะ แล้วก็พูดลอยๆไปนั่นเองบอกว่าแหมไปถวายวัดไรถินแล้วก็ปฏิญาณตนว่าจะถวายชีวิตไปเดิมทันกับหลวงพ่อวัดไรถิ่นมันชักกระซิบกมันบอกเอ๋ฮาวัดนี้รู้ได้ยังไงเนี่ยรู้ได้ยังไงเดี๋ยวมันออกไปละมันไป็น่างหลังเฮ้ยไอหาวุ้ย หลวงพ่อวันนี้ยานสูงรู้ว่าทั่งที่เราไปปฏิญาณตนคับทีวัลลีิงมันโง่ทาไมไม่รู้ล่ะค่ะไปแอบถังเอ็อนไปพูด อ, อย่างนั้นมันก็เสียชื่อยนี่วัลลีิงเนี่ยเขาอบรมนักบริหารเขามีหมดไปเป็นยากรนอบรมเครียดเลยเครียดเป็นอบรมชอบประจสอบประแจเนี่ย เบจอะไรก็ตกเยอะเลยครับตอนจะมาไปพูนะ่ะตกเยอะโอบรองเทียบเต้ทีเิ้งน้เราไปฟังเขารู้จะเป็นไข่ตอนนั้นในแก้วแดงหรือไข่ตะลุงตะลุงแดงตะลุงแดงไม่เอาไข่กแบบ้อน จะเอาแตาตัวเองตลุงนี่ชอบว่าจแยไม่ตาลุงลุงแดงพี่น้องมาจ้าปูก็มาถามไม่เฉหมดลูกกไม่มีลูกไงไม่มีปาหจะไม่มีลูกนะอขถูกแล้วตลุงเขาไม่ชอบมีลูกแต่เขาอยากได้ไมันไม่มีเองเขาบอก ออกเครียดเลยนะถ้ลุ้งอะไร่ ไ, ไตกเยอะเลยกรบตกถตลุ้งมาว่านดันคนหนึ่งโดนย้อนแยงอย่างไอไม่เข็งแรงต้องแข็งแรงโอ้ยกำลังไม่ดีครับท่านขาไม่คอยดีอ้าไม่ดีออกไปเลยไม่ดีออกไปจะตัดชื่อไปเลยเราบอกตาลุง ให้เขาออกไปทําไมเล้วหลายวันเลยใกล้จบแล้วอย่างนั้นเลยหลวงพ่อออย่างนั้นก็เอาถ้าอาตมาไม่อยู่แกเอาออกเลยเนี่เราเนี่ยก็วุฒสารช่วยพูดให้แล้วนะแพ้เกียรไม่ได้เลยน่าจาแะแพ้เกียมาหเหล่าอาอาอตมาไม่ขยันคอเอาสองคนออกแล้วไปเขียนแกผมไปไม่ไหวเอาไม่ไหวไปหัวหน้าไม่ได้ จะเอางี้เลยบอกไม่ไหวออกไปตาเชื่อไปกรรมการตาเชื่อไปเราตะมาไปอยู่นั่นพอดีบอกนี่นู่นน้ะไอเขาผ่านเยอะเขาก็อ่อนใจมาหลายวันแล้วจะเอาอย่างตาลุงยังยไงเนะล่าตาลุงมาเดี๋ยมาวิ่งกับเขานี่นะเดี๋ยวจะมาพูดนะตามาพูดได้ทุกคนเลยไม่ได้นะเอ้ไม่ยอมนะ เลยพลอยได้ก็ด้วยเลยก็ไปพบเนี่ยในสุดดูสิปฏิญาณกานันอย่างต่อหน้ารู้ไหมได้กันไหมเปลาย2คนเนี่ยได้กันไหมโยมพิบดายจังมันจะไปได้ อ, อะไรล่ะและหลงพ่ออะไรฉิงเนี่ยอตมาดูหน้ า, าท่านจังท่านก็เฉย ไม่ไม่เอออวยด้วยล่ะแหม่เนี่ยอรตา ม, มาถ้าพูดแทนได้นะนะก็จะไปอยู่ข้างล่างท่านฮัลโหลฮกูไม่เห็นด้วยโว้ยฮัลโหลกูไม่เห็นด้วยวอไรมันจะมาไปอมะรักกนเนี่ยไปทอย่างนี้ได้เด้อให้ัญญาแตได้เด้อเนีเ่ยยาสาน่ย อย่าไปชา บ, บายส บ, บทมันเสียเสียวาทะเสียเวลาเนี่ยน่ขนาพปริญญาโทในสุดมาเอารวมที่นี่ตมาก็พูดเขาก็นึกว่าเรามีญาณดีรู้เราก็ได้ประวัตว่าฝันไปว่าเจอคู่หนึ่งมันไปที่วัดอะไรขีมไมีดอกไม้อย่างนั้นแล้วบอกดอกไม้ถูกด้วย และบอกทูกถูกด้วยถูกจีนซะด้วยเชิงกลาอะไรยังบอกเลยแล้วมันหาว่าแหมไม่ได้หลวงพ่อวัดนี้ยามสูงอยู่วัดพมวันยังรู้ว่าเราไปวัดไรขิ่นกันนะถ้าจริง่มันไม่รู้หรอกวันเราไปยืนอยู่ตรงนั้นนะมันไม่รู้เรื่องของเราเนี่เลยผลท้ายไม่ได้กัน ไม่ได้กันอยู่มาในเมชาเจ้าคุณผู้ชายนั้นก็ไปได้ไหม่ทิ้งแม่คนนี้เลยแม่คนเนี้ยก็เสียใจต่อปริยาถุเอกไม่ไดับเลยก็ต้องออกมาทำงานแล้วผิดหวังมาแล้วก็มาเข้ากรรมฐานที่นี่ก็มาบอกอาตมาบอกหลวพ่อหนูผิดหวัง ต่อไปไม่สนใจเรื่องพวกนี้ขนาดารบาลแล้วเอาเดิมพันเอาชีวิตมาตายแทนหนูได้แล้วมันยังทิ้งหนูไปมีชสวิใหม่ได้เนยแล้วก็ทำไมหนอหลวงพ่อวัดขิงไม่ไปหักคอมันล่างก็หลวงพ่อวัดขิงถ้าเป็นพระพระไปทำลายคนอื่นได้แล้นะพระไปหักคอได้ ถ้าท่านเดินได้ยังไงล่ะเนี่ยไม่งงก็จะอาตมานีเองกดแห่งกรรมอย่าลืมนะขอตังยายไปซื้อเครื่องลูกเสืียร้อยบาทยายให้สิบบาทสิบบาทพอเหรอยายจังซื้อกระเป๋าลูกหนึ่งซื้อรองเท้า ซื้อเครื่องหลุกเสือตอนนั้นอยู่มัธยมยายบอกส0บาทก็พอก็ยายเคยไปเรียนหนังสือรึเปล่าล้ะแต่ยายสอนอรตมาดีนะขึ้นเรือนเดินบาบาบถ้าเดินแรงๆตบยายท่านถ้าหากว่าเราไปร้านทานนี้นะท่านห้าห้าสน ถ้าเดี๋ยวนี้ฮห้าแสนยอมรู้ห้าแสนไหมรู้ไหมนี่มีห้าแสน 5, ตบดิ้นเลยมียายตามามีห้าแสนขึ้นเรืยนไม่ล้างเท้าให้ห้าแสนเดินเรือนเนี่ยถท้าช่อนลงเดี๋ยวมาใกล้ใกล้ให้ห้าแสน ถ้าล้านเถียงนะให้อีกห้าแสนให้ครั้งนี้ด้วยครั้งนี้ด้วยนี่โดนมาแล้วสิโดนมาแล้วยอมจําไมหมฮะถ้าลูกปรัดเดียวหนูทำนี้หน่อยเดียวหนูทำนี้หน่อยเดียวเอาไปเลยห้าแสนมาก็ะตัตอบให้ยินไปเลยเนะี่ยมีองค์นี้โดนห้าแสนมาแล้วนะระวังนะ โยมยังไม่เคยโดนกันมั้งนี่ไม่เด้อไม่เคยโดนมดาอยู่ก็อาตมามามช่วยอาตมาทํางานคุณหนูทานี่หน่อยเดีเาา๋ยวเจ้าคาแล้วทำโน่นหน่อยเดีเาา๋ยวเจ้าคาทํานี่หน่อยที่หนูเดี๋ยวเจ้าค่ามาเลยมาเลยให้หา้าแสนบางคนบอกฉันนะให้เธอหา้าแสนดีเลยฉันไนมะ่มีจะตางค์ใชยเลยมาใกล้กันเขาตอดเพี้กเข้าไป อ๋อนี่ห้าแฉนจริง่ไหเอาเนต้องสอบสองข้างไปเลยอาตมาก็เดินจงกลองวาย่างใชย้ยางค่อยๆ ย, ย่องคือเหลือนแคกมานี่อาตมานั่งตะจอปจัจฉัอยู่ว่าแขกเนี่ยเพราะแคกไปเนี่ยไปชักตาบอกเป็นเด็กอย่ามายุ่งกับผู้ใหญ่เา้านี่โดนมาแล้วไโชคเนหืย เราอยเดินเลื้ยดง ด, ยยดังเดินเลี้ยงดังเงียบซับมันจะหนโยมเห็นด้วยไหมซับหนีไหมเนอะหนีัไงอตามาเถียนยายยายเดิเนดเลี้ยงดังนียบรับมันไม่หนีแล้วนะรับมันไม่มันไม่มีขาพ้นจากอตามาพ้นจากผมจะรักมันถึงจะหนี ยายบอกอย่าปากดีนะอย่าปากดีนะทำไมอย่าปากดีใช่อย่าเฉียงผู้หลักผู้ใหญ่ใช่ต่ำมาก็ต้องจำเป็นเขาต้องเดินค่อยๆ ย, ยองยอ ง, ยองแหมมีประโยชน์มีประโยชน์มากนะตอนที่ยายไม่ให้สตางมีประโยชน์50บาท แล้วตาตางมีลูตัตางดองมีลูเนะแล้วตาางสิบตางห้า 10, 5, มีลูจำได้ั้ยจำได้นะเออมีอย่างเือซื้อเครื่องลูกเสือทั้งสำรับแล้วก็ไอ้ไอ้รองเท้าด้วยแล้วกระเป๋าหนังอีลูกหนึ่งจะไปพอละร้อยบาทถึงจะพอเลย อาตมาก็ยองดูอยู่ที่หั i นอนแบงเป็นเปิรเลยแล้วอาตมาก็ขวาย่างหนอซายย่างหนอขวาย่างหนอม่ประโยชน์นะเดินจงกรมไม่ประโยชน์เดินจงกรมดีวาย่างหนอซาย่างหนอมาแล้วก็เดินเดินตายายทางมา โกลนน้อยหลับถ้าเดินปึงป้งๆมาย้ายตื่นใช่ไหนี่มีประโยชน์นะมีประโยชน์ชนเดินจงกรมเดินเรือนเนบาๆอย่าเดินหลังนะถ้ามาก็ย่องๆไปมองดูยาดฟีฟิฟฟแล้วโกลนด้วยเราก็หยิบหนอหยิบหนอห้าร้อยบาท ขอร้อยมเอาห้ารหยิบเนอแล้วก็มาใส่กระเป๋านอแล้วก็ย่องลงไปย่องลงไลงกระไดเสร็จแล้วก็หมูขึ้นมาดูยายยังนอนฟูล็บไปตลาดซื้อเครื่องครบกระเป๋าด้วยเ ค, เครื่องือซื้อมาก็มาเก็บ ไม่อย่าเห็นอยู่ด้อสองวันยาย ก, ก็บอกว่าไอ้หนูข้าวต่างไปไม่มีทางแหมขนาดผมนี่จะรักของยายชื่อเลยก็อยู่กันมานาเยอะไม่เคยเหสนใจเลยผมไม่เคยลรำใครหรอบนี่จะมา จำไปสอนลูกหลานนะถ้าจะรักขโมยใครอย่ารับนะอย่ารับอ่าท่านพออไปบอกอาจารย์ด้วยถ้าจะเอาใครหรือจะเมมเงินโรงเรียนอย่ารับนะรับไม่ได้นะอ่ายายก็บอกว่าลูกเอ้ยหลานเอ้ยไม่มีใครเราอยู่ในการช่วยคน เอ็งต้องเอาไปแน่ยายนี่พูดไม่รู้เรื่องหอมมีสัจจาครบเนี่ยพูดจริงทำจริงแล้วเราพูดหน้าบึง้งพูดหน้าเตึมตาโตเลยยายเชื่อเออเอ็อเองไม่ยดเอาไปใครจะเอาไปแล้วหลานยายนับไว้ครบหรือเปลา่า บางทียายแก่แล้วนับสูเสส่งุมทํซากอาจจะนับขาดนับเกินเราก็ต้องเกลงว่าอย่างนั้นยายบอกเออหรือยายจะนับผิดไปนะหลานนะน่าเนสิสงแต่อย่างดีแล้วก็นับผิดต้องให้ผมคอยนับเึงผมจะได้ชักเอาเทียรอยหห สมาก็าได้เอาละโตกลงผมไม่ยาไปเอาไมายาไปสบานได้นะได้สบานได้เต็มที่เลยออาจะเอาไงก็เอามันแน่เอาละผมจะเป็นผู้สบาบันยายครับถ้าผมเอาปจริงอะขอยฟ้าพาไอ้ฟ้าผ่าเลยเนะี แต่ฉลาดส บ, บานนะแล้วไม่จะบอกให้ถ่ายตายไนงะถ้าสถาบันกับใครเนี่ยอย่าบอกว่าฟาผ่าตายนางยานะฟาอย่ายิงเออส บ, บานต้องผ่ามาันอย่าให้มันตายเพราะมันไม่ได้บอกให้ตายจะไหมสถาบันเขาจะส บ, บานนะันเวลาเขาล่วงเลยมาก็นึกว่ามันไม่เป็นความจริงคือสถาบัน สบาเนี่ยเดี๋ยวก็นั่งแ้วก็เป็นคองยายก็คงไม่เป็นบาปคิกอย่างนั้นเป็นเด็ในเวลาการต่อมานีมาที่นี่แล้วเราก็อยู่ที่นั่นลากะทางยายแล้วยังไม่พอสบานอีกยายให้กับข้าวไปถวายพระหวานเทาหนึ่งเท่าเทาหนึ่ง เอาไปแล้วก็ต้องข้ามน้ำไปวัดใหม่โน่ตะมาเพราะไปเพราะเราเกลียดค้าเป็นทุนเลยก็ไปเจอเพื่อนข้าวไอ้เพื่อนก็ยังไม่ได้กินข้าวเราก็มาได้กินหิวเลยก็ึกษากระกเพื่อนที่สร้างความดีที่เคยหนีโรงเรียนมาิีกัเออกินก็เลยดีไหม ไอ้พระเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์อะไรเดี๋ยวมันก็สืบไปเป็นเมียใครผัวใครเนาะเลยรวมวงกินกระบายเดินกินเรียบร้อยล้างล้างแล้วก็ร้องเพลงสนต้องลมแหวนปรดับก้อยร้องได้เลยนะรู้ไหมเพลงแหวนประดับก้อยเพลงไทยรู้ไหม รู้หน่อยสิแหวนประดับก้อยไงบ้างไม่มีใครรู้เลยเนี่ยนะของใครแน่ลองได้จบเดียกน่าถูกต้องที่เพนชานโยมนะนนมยังอยู่ไหมตายไปแล้วตาล้วนเนี่ะตายไปยัง ก็เพลงก็ล่วงดีแล้วข้ามน้ำมาข้ามน้ำล่างไปโตสายเขาล้วก็รอช้นต้องลมเะโบกคริ้วอะไรกันยายก็บอกว่าหลานไปถวายพระเลวยานถวายแล้วแล้วยายบอกเจอชมพานไหม บอกเราฉลาดยายผมไม่ได้คืนกุติแล้วผมให้เด็กมันทายแล้วผมก็เอามาไม่ได้นะไม่ได้นะตอนต่อไปต้องรับผ่อนมาให้ยายต้องรับผ่อนด้วยนะอ้าวเจ้าไปสองสองอ้างครั้งแหละโอ้ยครั้งหนึง่งหิ้วสัตย์ตายเลยทำขนมจีน งงจีนน้ำพริกน้ำยาแล้วก็ทำนมปลากริมไข่เต่าแกงบอลโยมทานแกงบอเป็นไหมเป็นเหรอกลายเนี่ยแกงเนี่ยเปลียมากมีงาเนี่ ย, ย, นนยแกมอหมเลเลยนะไม่ใหญ่นะกินหมดเลยบกยาแยกระอย่างนี้ที่เ์ลี้ยงไตหาหมดเลยขอผมแงเอง แกงเนี่ยแกงให้มันมีรสอร่อยกันนี่หน่อยนี้มันจะได้ไม่เปลี่ยนแกงให้มันทันเข้าไว้ก่อนอ่าอแล้วเราประกาศว่าใครกินแกงบอนของเราถ้าบ่นว่าปากทันแสดงว่าคุณนั้านปากบอนเลยเลี้ยงไปไม่มีใครคันบอกเป็นายแกงคันไหมเงียบมันกลัวว่าปากบอลเนี่ยก็เหลือตั้งครึ่งหมอ ยายยายแกงแล้วหมดนี่ผมแกงเองเนี่ยแกงยังได้เหลือไว้ใช้แกงให้มันคันไว้จำไว้ยไม่เกลี้ยงนะจะไว้ละในสุดเอาไปให้สมพานก็ไปเินซงหลังป่าตาลเพื่อนเยอะอตมานี่เพื่อนเยอะม่โรงเรียนมัธยมอยู่แปดเรียนโรงเรียนนะปอออนะ มีลูกมีหลานอย่าโรงเรียนโรงเรียนเดียวไม่ได้ต้องเรี้ยงให้มันครบป่าโรงเรียนใช่ไหองค์นี้เรียนหมดป่าโรงเรียนเรียนเก่งมากไม่กี่เดือนเขาให้ออกแล้วเรียนเก่งสามเดือนหกเดือนเขาบอกออกได้แล้วให้ที่ออกนะั้นยังไม่ใช่หมายความมาจบหลักสูตรครูขอให้ออก และเราก็จะมีมนุษย์สัมพันธ์และเราจะได้รู้จักคนมากตามานะเนี่ยจำมาเลยก็เอาไปถวายพระพอจริงจริงไม่ถวายเพราะเราเกลียดพระเป็นทุนเดิมโย้มจามคติธําไว้ด้วยยิ่งเกลียดยิ่งเข้าใกลย้ยิ่งรักยิ่งออกห่างไกลเกลียด เข้ากลาแพ่เมตตาเสียก่อนความเกลียดจะได้ออกไปความรักเข้ามาแทนที่สร้างความดีต่อไปถึงได้ผลธรรมะเกลียดพระมาตั้งแต่อยู่วัตโนดนอกในสวนกรงเทพของเจ้กหนานะไม่ชอบพระแต่แล้วเราก็ต้องมาเป็นพระอย่างนี้โยมเหมือนกันนะนาอย่างนี้เออไม่มาทมสามีแล้ว ที่เล่าเมายาเจ้าชู้ในที่สุดเราก็ต้อไปเป็นเมียพวกที่เล่าเมายาเจ้าชูเนี่ยจะเป็นคนเห่งตามเราขอฝากอย่าโยมไว้ด้วยอตาตมาก็เอาไปกินซะอีกบวกอตาตมาเยอะหนโรงเรียนในการไปลักอ้อยขาขายข้อเขาว่าเราด่าเราฟางบ้านแหลกไปเลย น, นี่องค์นี้ทำไม เลยก็กลับมาก็ร้องเพลงสนก้องลมร้องโดยสองเพลงจับแหวนจะกับประดับก้อยร้องเรื่อยมากลางแม่น้ำน้ำแค่นี้ลามแม่น้ำลูกบลีนู่นยายก็บอกว่าลานตะโกนเลยเจอรมผ่านไม้เจอยายผมรับพรมาโชคเลยรับพรมาโชคยายบอกรีบพารีบพารีบมา เอ้ยายดิอย่างไหนจะรีบเอาพรไปข้างไหนอันนี้เนีเราก็บอกยายใจเย็นๆถอนผมออกมาให้หมดแล้วสมพานอยู่ด้วยคุยสมพานต้องนานเนี่ยมาไวๆมาไว ๆ, ๆพอขึ้นบ้านแล้ยตายหาเลยสมพานนั่งบนบ้านเราเฮ้ยสมพานอยู่บนบ้านหลเรามาไม่บอกเราเลยเนี่ย โดนตีครานี้เองอแล้วก็บอกไหยไอ้หนูเหมือนว่าเจอสมพานใน่รับพรพอสมพานมาอยู่ที่บ้านเลยเราก็กระชิกมามันไม่บอกมึงแล้วโกหกไม่หลอดเลยคราเนี้ยพอดีสมพานเขาไปฉันบ้านตา้าฉันแล้วก็ว่าบรรยายเยี่ยมยายนะ แล้วเราก็ชนต้องลงมาเรื่อยๆ เ, เนี่ยพอมาถึงบ้านตายหาเลยย้ายบกักเจอชุ่พานมาเจอผมรับพรมาต้องหลายบทมาไวๆมาไวๆมาไวๆบอกขึ้นเรือนหนะ้าตายหาชมพานนั่งยืมเลยเนีเลยชมพานก็บอกโยมอย่าไปตีมาเลยสั่งมาเนอะอรรมมาขอมิจฉาบาปว่าท่านก็นลงเรือนไปเลย ถ้ารีบหนีเลยพอโรงเรือนไปได้นะยายก็เกลี่ยมเลยเชือกมัดเหล่าข้าแล้วก็ตีเหลานี่ตีใช่ไหงแล้วมึงเอาข้าวไปไง่าหมดยายไม่รู้เรื่องแล้วเนก็ผมหิวเพื่อนก็หิวก็ไปให้พระมันกินทำไมล่ะคือว่าเขากับข้าวคุณเยอะ เลยผมกินก็หมดเลยมันไม่ไม่ได้บุญหรอไอพวกเพื่อนได้กินมันก็ได้บุญมันหิวมาเอาละพวกเหมือนต้องไปเป็นเปลือกตาทะลุเข็มไปเป็นเปลือกไปซแหลกไปเลยทั้งตอบทั้งตีเลยเนี่ยในสุนอธรรมะเขา ก, ก็ไปเป็นเปลือกตาทะลุเข็มตอนคอหักเนี่ย นี่ยเป็นกฎาห่งกรรมที่เราทําไว้อย่างนั้นเองเยขอเจริญพรอย่างนั้นแต่เราไมา่ยังมาเจริญกรรมาฐานก็แย่และในเวลาการต่อมาเรามาบวชเท่าไห้่จึงได้รู้อะไรเป็นอะไรขึ้นแล้วมานั่งเจริญกรรมาฐานสติก็จะบอกว่าวันที่14ตุลาเนี่ยท่านตองมรณะผ่าลดช้มคอหกักไปได้ ไอส้สติเื่เราศรมสข้มาง่ายมันก็จะบอกว่าท่านไปหากค อ, อนกมาอยู่มายมสามเลยก็นึกดาเป็นความจริงทุกประการแล้วจะไม่ปฏิเสธทุกขอาหาแล้วก่อนที่เราจะขอหักก็สติมันก็บอกว่าพรุ่งนี้นะใช้หนีเตาที่ไปรับจ้างต้มเตาบาทหนึ่ง พอเดียตมาก็จะต้องไปเยี่ยมร้านเบจเบจเกเสียงที่บางปะอินเขาขายอาหารและเขาเป็นผ่าท้องเป็นโรคมะเร็งไอเนื้อก่อนในท้องเราก็ไปเยี่ยมเขาแล้วถ น, นนเอเชียเบงเ็จใหม่ๆแล้วก็ไปรถปิกอัพขับอย่างเร็วกลับมามาถึงตรงที่วัดคูเนี่ย ถนนมันเลื่อนมาลดความลงถนนมาเลยอาตมาเนี่ยต้องปวดแสบปวดร้อนอยู่หกเดือนเนี่ยรับรับจำต้มเตาแต่เตาไม่ตายแล้วเราจะเอาสะตางไปจริงครงเรียนโรงเรียนบาทเนึงตะพนแก่ตาลุงเนี่ยเขาบอกว่าช่วยต้มเตากูให้มึงบาทเน่งเขาพูดแบบประชายอย่างนั้นวิธีต้มก็อาหม้อดินมาใส่น้ำข้า ต้มพอน้ำเดือดก็เอาเตาเป็นเฟ น, นชายปายเขาจะแก้มเหล้ากันแล้วก็เตาดีเือะเกินโยมาหม้ อ, อเขียวปิดเท่าเตามันสามาัคคีช่วยกระดินหม้ อ, อแตกไปเลยวิ่งเข้าก็ถ่ายไปแล้วมันเนี่ยน้ำขาเนี่ยเช้ดน้ำตามันยังจำภาพนี้ได้วิ่งกระป๋าเข้าเข้าเข้าต า, า, าไปหมด เราขอจเจริญพรต่อไปว่าเราก็สงสารมันจะทำอย่างไรไปเลยก็ตาลุงก็มาทวงสตางคืนบอกให้คืนไมน่่ะลงทุนแล้วมอมือแตกไปหมดแล้วมอแตกไปแล้วในสุดเวลาการรมต่อมาเราก็ใช่รับใช้กรรมอย่างนี้แล้วตอนคอหากก็รถุนคอหากที่หลังตลาดปากบางนี่ ก็รู้ตัวล่วงหน้าหกเดือนไงนี่ถ้าเราไม่เจริญกรรมฐานสะสมหน่วยกิจมีสติจัมระชัญญาไว้ก็เราจะเสียดายชีวิตว่าเราคงจะอายุไม่ยืนแตารถชนเนี่ยเราก็จะจำยาขึ้นมาอีกโยมจะมาตมาไว้ว่าถ้าเวลาเรามีเวรกรรมจะถูกรถชนโชเฟอร์เขาจะไม่เห็นเรา เราเดินผ่านถนนออกไปเนี่ยโชเฟอร์จะไม่เห็นเราและเราจะไม่เห็นรถ